ปกติจิตเป็นสิ่งที่เนื้อกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วสภาพทั้งหลายเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนตตาตกในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนตตาด้วยกันทั้งนั้นไม่มีเว้นแม่นิดหนึ่งแต่จิตนี้ธรรมชาติของจิตแท้นั้นไม่ได้เป็ น, นอยู่ในกฎนี้เท่าที่จิตได้เป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขังอนตาก็เพราะสิ่งที่เป็นไตร ล, ลักษ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 เราจะเห็นได้เวลาจิตที่ชำระให้เต็มที่จนไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วจะไม่ปรากฏเลยว่าจิตนี้กลัวกล้าก็ไม่ปรากฏกลัวก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่ธรรมชาติของตัวเองอยู่โดยลําพังด้วอโดยหลักธรรมชาติ ต, ตลอดเวลาอากาศทีโกเท่านั้นนี่เป็นจิตแท้จิตแท้นี้เรียกว่าควาเป็นความบริสุทธิ์จิตดั้งเดิมนั้นหมายถึงดั้งเดิมแห่งวัฏตะของจิตที่เคยหมุนมา มูนยันมนยันมาดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในหลักธรรมว่ารูปก่อนภิกรสทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสนะแต่อาศัยความคลาดคร้ราของกิเลสหรือกิเลสจรมาจึงทําให้จิตเจ้าหมองกันว่าจิตเดิมแท้นั้นหมายถึงเดิมแท้ของสมมุติต่างหาไม่ใช่หมายถึงเดิมแท้แห่งความบริสุทธิ์แล้วเวลาท่านแยกออกมาสำหรับพระพัฒนบิดังจิตต่างนะพิฆเคย พระพัฒสราหมายถึงฟัดสอนได้แก่ความทองใสไม่ได้หมายถึงเป็นความบริสุทธิ์นี่หลักเกณฑ์ทองท่านพูดได้ถูกต้องทีหาที่แย้งไม่ได้เลยถ้าลงว่าจิตเดิมเป็นจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะมีที่ค้านกันเต็มที่ถ้าบริสุทธิ์แล้วมาเกิดทําไมนะท่านผู้ชํำระจิตบริสุทธิ์แล้วท่าไม่เห็นเกิดถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วชําระกันทําไมนี่มันมีที่แย้งกันที่ตรงนี้ชําระกันเพื่ออะไร ถ้าจิตผ่องใสก็ชำระเพราะความผ่องใสนั่นแหลคือตัววิชาแท้ไม่ใช่อื่นใดผู้ปฏิบัติจะทราบประจักษ์ใจของตนเองในขณะที่จิตได้ผ่านจากความป่องใสมีไปแล้วเข้าถึงขั้นแหน่งยมุดความป่องใสนี้จะไม่ปรากฏตัวเลยน่นทราบได้ตรงนี้เป็นเครื่องประจักษ์กับผู้ปฏิบัติและค้านกันได้าก็ค้างกันที่ตรงนี้เพราะความจริงนั้นจะต้องจริงอยู่กับหัวใจของทุกคนเมื่อใครทราบใครรู้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 เกี่ยวข้องมากน้อยแต่นั้นท่านยังสอนให้ชำระกิตไม่มีผู้ใดที่จะยังถึงหลักความจริงได้อย่างแท้จริงดั่งพระพุทธเจ้าก็มีพระองค์เดียวที่เรียกว่าสยามผู้โดยไม่ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยในการแก้กิเลสจา ก, ก จ, จิตใจส่วนทางด้านสมาธิทางด้านความสงบนั้นท่านก็ทรงศึกษาอบรมมาบ้างเหมือนกันกับราบทั้งสอง กมาปฏิเสธแต่นั้นไม่ใช่ทางที่จะถอดถอนึกถึงความเป็นสัพพัญญูได้เวลาที่จะเป็นสัพพัญญูได้ก็ออกจากสยามภูที่สุดพระองค์ทรงปฏิบัติเองได้รู้เองเห็นเองถึงขั้นแห่งความบริสุดหมดตดของจิตด้วยดังประจักรพระไทยแล้วจึงได้นำํำทำนั้นมาสั่งสอนโลกแล้วเวลานี้อะไรที่เป็นเครื่องพุ่มห่อจิตใจอยู่นั้นจึงหาความบริสุดไม่ได้ทั้งๆที่เราต้องการหาความบริสุดด้วยกันทุกคน มีอะไรเป็นเครื่องปิดบังอยู่นั้นแล้วไม่มีอะไรถ้าพูดตามหลักธรรมาชาติแล้วก็มีขันห้านี้เป็นที่หนึ่งส่วนทวาจิตตวิชานั้นยกไว้ก่อนเอาพูดอย่างเด่นเด่นนะคือขันหานี้เป็นที่หนึ่งแล้วที่สองก็รูปเสียงกลินรดเครื่องสัมผัสเป็นทางเดินของจิตที่ออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกาย ไปสู่รูปเฉียงกิง่นลดเครื่องสัมผัสแล้วก็ไปตีความหมายเป็นความสาคัญขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้จากรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสแล้วก็เอาอารมณ์นั้นแล้วเข้ามาผูกมัดหรือมาหุ้มห่อตัวเองให้ 10, มึนมิดปิดตาไปด้วยความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไรเต็มไปหมดซึ่งได้มาจากสิ่งที่กล่าวนี้ทั้งนั้นส่วนที่ฝังอยู่ลึกก็คือขันของเรานี้เราถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา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 เวทนาสัญญาทังขามิญญาณว่าเป็นเรานี่นี่เป็นเป็นสิ่งที่ฝังอยู่อย่างลึกลาำเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาในสิ่งเหล่านี้การพิจารณาก็เพื่อจะให้รู้ชัดตามความจริงของมันแล้วถอนความยึดมันม่นถรือมั่นสาคัญเป็ตนตันเข้ามาเพื่อความเป็นอิสระนั่นเองไม่ใช่เพื่ออะไรปกติจะพิจารณาเขาทำํำไม่รูปก็เป็นรูปเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นลดเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆเป็นธรรมชาติของเขาอยู่ดั้งเดิม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 ถอนจากนั้นมาแล้วก็มาพิจารณาทางท่าทางขันทั้งตนเองอันใดที่เด่นชัดในขันห้านี้เราไม่ต้องไปสำคัญมั่นหมายหรือไม่ต้องไปคาดั น, นเนนไว้ว่าเราไม่ได้พิจารณาขันห้าโดยทั่วถึงคือทุกขันไปเช่นนี้เราไม่ต้องไปทำความสำคัญขอแต่ว่าขันใดเป็นที่เด่นชัดซึ่งควรแกการพิจารณา และเหมาะกับจดีที่สัยของเราในขณะนั้นๆแล้วให้เราค้นคว้าพิจารณาในขันนั้นให้ชัดเจนเช่นรู ป, ปรขันในรู ป, ปรขันมีอาการใดที่เป็นที่เด่นในความรู้สึกของเราที่เกิดความตื่นใจอยากจะพิจารณามากกว่าอาการอื่นเราจับจุดนั้นเข้าไปกําหนดพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันทุกขังคืออะไรตามหลักธรรมท่านท่านกล่าวไว้ว่าทุกขังคือความทนไม่ได้มันไม่สนิทใจเรา ถ้ว่าทุกขังคือความบีบ บ, บังคับตลอดเวลานี่แหละนี่เหมาะดังที่ว่าย้ำไปทันนะตราปฏิทัมปีทุกขังนะอันนี้ตรงกับคําที่ว่านี้<ม>ปรารถนาจิงได้ไม่สมหวังเป็นทุกเป็นทุกคืออะไรมันบีบคั้น ต, ตัวเองคือความไม่สบายนั่นแหละปรารถนาจิงนั้นไม่ได้ก็ไม่สบายปรารถนาจิงได้ไม่สมหวังไม่สบายสิ่งที่ได้แล้วแต่พัดซากจากไปเสียก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์อันนี้เข้ากันได้กับคำว่ามันบีบบังคับคือความบีบบังคับนั่นแหละ ครือคำทุกข์ที่ว่าแปลว่าทนอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้ทนไม่ได้เขาก็ทนก็เป็นไปตามเรื่องของเขาไปยุ่งของเขาทําไมนี่เ้าทนอยู่ไม่ได้ของเขาใจของเราไปยึดไปถือสิ่งนั้นต่างหากเลยต้องมาพิจารณาให้ชัดเจนในเรื่องขันรูปประขันอาการใดดูให้มันเห็นชัดเจนถ้ายังไม่ทรางในเรื่องปฏิคูนก็ให้ดูในป่าช้าของเรานี้ให้มันเห็นชัดเจนเยี่ยมป่าช้าเยี่ยมที่นี่เยี่ยมป่าช้านอกเพื่อนนอข้ามาสู่ป่าช้านใน ปาช้านอกคนตายเกลื่อนในครั้งพุทธกาลมันป่าช้าผีดิบเนี่ย่อยจะเผาจะฟังกันเหมือนทุกวันนี้ท่านจึงสอนให้พระไปเยี่ยมป่าช้าตายเก่าตายใหม่เกลื่อนกาดเต็มไปหมดแล้วเวลาเข้าให้เข้าทางทิศนั่นทิศนี้ท่านก็สอนไปโดยลําดับลดับตามความฉลาดแหลมคมความูุที่เยาผู้เป็นสยมภูหรือผู้เป็นศาสดาของโลกนั่นแหละให้ไปทางเหนือลมทั่นสอนแล้วเมื่อไปเจอซากศพที่นนั้นเข้ า, ขามาเข้าไปแล้ว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 ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับส่วนร่างกายนี้มีอะไรที่เป็นของสะอาดแม้แต่ของสะอาดนํามานุ่ง ม, มาห่มมันยังต้องสกระปรงจะต้องไปชาติไปล้างซักฟอกยุ่งไปหมดมที่บ้านทเรือนเหมือนกันต้องเช็ดต้องถูปัดกวาดมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนต้องทําความสะอาดเพราะมนุษย์สกปรกโะรงเข า, พ, า พ, พิจารณาอย่างนี้แล้วในตัวของเราสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเรามันก็สกระปรกแม้แต่าอาหารหวานข้าวที่ มีความอรเด็ดอร่อยสีสันมันน่ก็น่าดูน่าชมรสชาติก็อรเด็ดอร่อยเพราะเข้าไปคั่วข้ากับสิยงที่สกรปรกอยู่ภายในร่างกายแม้ตั้งแต่น้ำลายเท่านั้นคายออกมาแล้วจะกลับเข้าไปอีกมันก็รู้สึกขยะขยงเพราะเหต็ดลายเพราะร่างกายนี้มีความสกรปรกอยู่แล้วตามหลักตามหลักธรรมชาติของตนอันใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้จึงกลายเป็นของสกรปรกด้วยกันนี่พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาป่าช้าพิจารณาอาชูพะ แล้วกำหนดเข้าไปในหลักธรรมชาติของมันเป็นยังไงดูทุกแง่ทุกมุมตามความถนัดใจคือปกติเมื่อเราดูในจุดนี้แล้วมันจะค่อยซึมซาบไปโดยลําดับลำดับถ้าสติกับความรู้สึกสืบต่อกันอยู่แล้วปัญญาจะต้องก้าวไปทํางานไปโดยลําดับลาดับความรู้สึกหรือความทราบซึ้งในการรู้จริงเห็นจริงไปโดยลําดับดลำดับนั้นจะทราบซึ้งจนโดยลําดับเป็นความเพลินไปในการพิจารณานี่เรียกว่าปัญญาขั้น เมื่อพิจารณาในขั้นปฏิกูลแล้วพิจารณาถึงเรื่องความแปรสภาพของร่างกายนี้คือปฏิกูลก็อยู่ในร่างกายนี้ป่าช้าผีดิบก็อยู่ในร่างกายนี้ปัาชาผีแห้งผีเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะมันรวมอยู่ที่หมดอไปเผาในเตาไฟไม่เราไม่ว่าปา่าช้าเตาไฟหรือ ว, ว่าครัวไฟความจริงก็ป่าช้าของศาตว์นั่นแหละแล้วขนเขามาเก็บไว้ในที่นี่ในหลุมในบ่อนี่เต็มไปหมดนี่เป็นที่ฝังศพอะศพใหม่ศพเก่าจนเกลื่อนอยู่ที่นี่เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะไม่เกิดความเสียเสีนไม่เกิดความ ทางโเวทใจใจแล้วจะเกิดอะไรเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นผมวิท้าสอนให้ถึงความจริงเพราะความจริงมีอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ปีนเกลียวจากความจริงนี้แล้วใครๆก็จะต้องได้ปวดเพื้อความยึดมั่นถือมั่นความต้องกาผิดอันเป็นความโง่เขลาบุพเพหยั่งตออกได้โดยลําดับดับกิจจางเราจะมีความสว่างกระจาแงแคงฉายแสงมาด้วยความชัดเจนอยู่อย่างสง่าผ่าเผยแม้จะอาศัยร่างกายอยู่ก็ตาม ก็ไม่ติดเนื้อติดกายไม่ติดกองวัชพัดวสุพังป่าชา้าผีสดผีแห้งอันนี้นี่เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเอาพิจารณาความแปรสภาพของมันมันแปลทุกชิ้นทุกอันทุกสัตว์ทุกส่วนที่มีบรรดาที่มีอยู่ในร่างกายนี้ไม่เวน้นแม้แต่เส้นผมเส้นหนึ่งไม่มีเว้นเลยแปรสภาพเหมือนกันหมดอันไหนที่เป็นเราอันไหนที่เป็นของเราและคําว่าอนัตตากับมอนกันมันอยู่ในอันเดียวกันชิ้นเดียวกันนั่นแหละเป็นอนัตต์ไม่ใช่เรา ท่านตกไว้ตีเข้ามือไว้อย่าไปเอื้อมนะตกไว้ตีไว้อย่าไปเอื้อมว่าเป็นเราเป็นของเรานะคำว่ารู ป, ปังอนัตตาองอุปมามเหมือนอย่างนั้นเองอย่าเอื้อมอย่าไปยืดถ้าเห็นว่ามันเป็นอนัตตาอยู่แล้วนั่นหลักธรรมชาติมันเป็นอนัตตาไม่เป็นของใครทั้งหมดอนัตตานะอนัตตาไม่เป็นตนนี่เบอกอยู่แล้วนี่คือการพิจารณาร่างกายออกนั้นกําหนดทำมันสลายลงไปจะสลายลงไปแบบไหนก็เอา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 ไฟก็ความอบอุ่นเป็นต้นมีอยู่แล้วภายในร่างกายพิจารณาลงไปหาชิ้นใดว่าเป็นเราเป็นของเราหาดูที่มันไม่มีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวมันเป็นสมบัติเดิมของเขาเท่านั้นคือดินน้ําลมไฟเป็นสมบัติเดิมของธาตุอันของเขาในอันนึ่งเพียงเท่านี้จิตของเราก็สงบแน่วลงไปได้เมื่อจิตได้เห็นได้อย่างประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วจิตจะเป็นอื่นไปไมาได้ต้องถอนตัวเข้าไปสู่ความสงบแน่วแน่อยู่ภายในตัวเอง ตอยความกังวลอะไรทั้งหมดนี่เป็นขั้นหนึ่งในการพิจารณาเอาเมื่อวาระต่อไปที่เราจะพิจารณาทุกขเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เก็บไข้ได้ป่วยหรือขณะที่นั่งมากเอางงนั้นแหละนักรบต้องลบในเวลามีค่าศึกไม่มีค่าศึกจะเรียกนักรบได้อย่างไรอะไรเป็นค่าศึกทุกขเวทนาคือค่าศึก เ, เก็บไข้ได้ป่วยเกิดที่ตรงไหนนั่นแหละคือค่าศึกเกิดแล้วถ้าเราเป็นนักรบเราจะไปถอยไปหลบไปที่ไหนต้องสู้เวทนามันเกิดขึ้นจากอะไรตั้งแต่ก่อนนั้น เราเริ่มนั่งทีแรกมาเห็นเป็นแต่ก่อนเรายังไม่เป็นไข้ก็เห็นปรากฏทุกขเวทนาเกิดขึ้นมานี่เวลาเราเก็บไข้ได้ป่วยแล้วมันดึงปรากฏขึ้นมาแต่ก่อนไม่ไปหลบซ่อนอยูที่ไหนถ้ า, าเป็นตัวของเราจริงจิตของเรารู้ตลอดเวลาทุกขเวทนาทำไมไม่ปรากฏแล้วทำไมจึงมาปรากฏในขณะนี้ถ้ามาเป็นเราในเวลาทา่าเวลาทุกขเวทนาดับลงไปทําไมจิตของเราจึงไม่ดับไปด้วยถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงต้องดับไปด้วยกันหรือทุกจิตคือ ค, ความรู้สึกนี้มีอยู่สามใดทุกขเวทนาก็ไม่ก็ควรจะมีอยู่สามนั้น ถ้าเป็นอันอันเดียวกันและไม่ควรดับไปนี่เราพิจารณาให้ชัดแล้วแยกดูกายด้วยอานาสายกายเกิดขึ้นเช่นเจ็บแข้งเจ็บขาปวดกระดูกชิ้นนั้นชิ้นนี้เอากําหนดดูกระดูกอ่าถ้ามันปวดกระดูกเจ็บกระดูกมากๆกระดูกนี้หรือเป็นตัวทุกอ่าถามดูแล้วถามที่ตรงไหนให้จ่อด้วยนะอย่าถามแบบเพ้อเลอไปต่างๆแต่ถามด้วยจ่อเพื่อจะรู้ความจริงกรองดูจิตแนวดูกับความช่องอยู่กับ กระดูกชิ้นนั้นท่อนนั้นดูให้ดีว่ากระดูกที่จริงๆเหลือเป็นทุกกาหนดดูเป็นเหมือนกับว่าเป็นข้อสังเกตถ้าว่ากระดูกที่เป็นทุกจริงๆแล้วเวลาทุกดับไปทําไมกระดูกไม่ดับไปด้วยนะถ้ามันเป็ น, เ ป, นเป็นอันเดีย ว, วันจริงเมื่อทุกดับไปกระดูกที่ต้องดับไปด้วยไม่ควรจะยังเหลืออยู่แต่นี้เวลาโรคภัยไ่าเจ็บหายไปหรือเวลาเราลุกจากที่นั่งภาวนาเพราะเกิดความเจ็บปวดม า, ก น, า, ามกนี้หายไปความทุกข์นี้หายไป กรูกทำไมไม่หายไปด้วย ko ถ้าเป็นอันเดียวกันนี่แสดงว่าไม่ใช่อันเดียวกันเวทนาก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับกับกายกายไม่ใช่อันเดียวกันกับเวทนากายกับผิดก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับจิตนี่เวทนากับผิดก็ไม่ใช่อันเดียวกันต่างอันต่างจริงของเขาแล้วแยกดูให้เห็นชัดเจนตามความจริงนี้เวทนานั้นมันจะปรากฏเป็นความจริงของมันผลทุ้ดท้ายมันขยุ่นเข้ามายุ่งเข้ามาสู่จ so ิตนี in <IL> <Disney> ่เวทนานั้นจะค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจากความสําคัญของกิต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 พอจริงนะก็ดับนี้ประการหนึ่งประการที่สองแม้เวทนาจะไม่ดับก็ตามนี่หมายถึงเวทนาทางกายก็ไม่สามารถที่จะทําความกรตุกข์เทือนแก่จิตของเราได้ตกลงก็เรามีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสง่าผ่าเผย อ, อยู่ในถ้ำกลางแห่งทุกขเวทนาซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของเรานี้จะเป็นส่วนใดหรือหมดทั้งตัวก็ตามที่ว่าเป็นทุกใจของเราก็ไม่หวาดไม่หวั่นท่านผึวอะไรทั้งหมดมีความเย็นสบาย นี่การพิจารณาทุกเวทนายิ่งเจ็บปวดมากเท่าไรแล้วสติปัญญาเราจะถอยไปไม่ได้มีแต่ขยับเข้าไปเรื่อยๆเพื่อรู้ความจริงไม่ต้องไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์ตั้งความตั้งคานั้หมายขึ้นว่าให้ทุกเวทนาดับไปด้วยความอยากของตนนั้นจะเป็นเครื่องเสริมทุกเวทนาให้หนักมากขึ้นโดยลํำดับความจริงก็พิจารณาให้เห็นความจริงเท่านั้นทุกจะดับหรือไม่ดับก็าตามขอให้เราได้ทราบความจริงที่เป็นทุกหรือเกิดทุกขึ้นมา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 อ้าตัวสัญญามันหมายอะไรบ้างตัวสัญญาในเรียนตัวสาคั ญ, ญามากพอสังขารปรุงแพรบขนาดแหละสัญญาจะยึดเอาเลยแล้วหมายนั้นหมายนี้ยุ่งไปหมดมีพวกก่อกวนพวกยุ่ยย่ให้เกิดเรื่องนั้นให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือพวกนี้เองพวกสังขารพวกสัญญ า, า, ามสำคัญมันหมายว่านั่นเป็นเรานั่นนั่นเป็นของเราหรือนั่นเป็นทุกข์ที่ตรงนั้นเจ็บปวดที่พรงนี้กลัวล้มกลัวตายกลัวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างกลัวหมดคือพวกนี้เป็นผู้หลอกให้ให้กลัวและวจีก็เลยหวั่นไปตามเลยทอถอยความเพียร แพ้นักให้ทราบว่าเวทนามันหมายขึ้นมาพับก็คือความหมายของเวทนาคืออาการอันหนึ่งของขันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับสัญญาอนัตตาน่ะมันก็เป็นอนัตต า, าเช่นเดียวกันจะไปถือมันยังไงจะเชื่อมันยังไงนะว่าเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเป็นความจริงกําหนดตามให้มันรู้ชัดเจนสังขารเพียงปรุงปรุงแผลแผขึ้นมาราร จ, จิตใจก็เพิ่มขึ้นมายาับยับยยัช่วขณะเกิดขึ้นขนาดไหนมันก็ดับแต่ขนาดนั้นของมันเราจะเอาสาระแห่งสามลายจาก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 หดตัวเข้ามาเพราะความเห็นจิงในจิตนั้นแล้วจิตก็ย่อมเต่นหากว่าเวทนาจะกล้าสหาหัสก็สลายลงไปด้วยการพิจารณาเห็นประ จ, กจรักษ์จิตเรากับจิตแล้วด้วยความจริงถ้าไม่ดับก็ต่างอันต่างจริงเราก็มีความสงาา่าผ<ม>่าเผยอาถรรพอยู่ภายในจิตไม่ใช่ทกสถานถึงเวลาจะแตกก็แตกไปเถอะ ไม่มีอะไรจะทุกสะท้านแล้วเพราะเรื่องแตกไปนั้นมีล้วนแล้วทั้งแต่เรื่องรูปเรื่องเวทนาสัญญาสัา้งขันมีอยางทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องคือไม่ใช่เรื่องผู้รู้คือคือใจนี่แตกไม่ใช่ผู้รู้คือใจนี่ตายนะี่แต่สิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเป็นที่แตกที่ดับที่สลายไปมีความสําคัญมันหมายของเราที่หลอกตัวเองนี้เท่านั้นทําให้เรากลัวถ้าเราจับจุดแห่งความสําคัญมันหมายนี้ว่าเป็นจังทุกขัตามไม่น่าที่เชื่อถือแล้วเรา ด้วยปัญญาของเราแล้วจิตของเราก็ถอยตัวเข้ามาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้แต่เชื่อความจริงเชื่อปัญญาที่พิจรณาอย่างแหลงคมนี่อันหนึ่งพิจารณาอย่างนี้อา้าวเมื่อจิตพิจารณาหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยแล้วความชํชนานิชานาญในขันทั้งห้ารู ป, ปรขันจะปล่อยไปก่อนด้วยปัญญาในขั้นเริ่มแรกการพิจารณาขันคือรู ป, ปรขันจิตปัญญาจะถึงก่อนคือรู้เท่าทัน ก่อนปล่อยว่ารูปได้จากนั้นก็ปล่อยเวทนาได้สัญญาได้สังขาร ไ, ไ, ได้ยินญาณได้คือรู้เท่าคุณยังไงรู้เท่ากับปล่อยมันก็อันเดียวพอรู้เท่าแล้วมันก็ปล่อยถ้ายังไม่รู้เท่ามันก็ยุดพอรู้เท่าโดยปัญญาแล้วก็ปล่อยปล่อยไปหมดมองเห็นแต่เพียงจิตก็เพื่อมยับยบัยับยับยั บ, ย บ, ยบไม่มีอะไรสาระอะไรเลยคิดดีขึ้นมาก็ดับคิดทั่วขึ้นมาก็ดับคิดอะไรอะไรขึ้นมาขึ้นถือว่าสังขารของตุ้งแล้วดับด้วยกันทั้งนั้น ร้อยทั้งร้อยมันมีอะไรตั้งอยู่พอยที่เป็นสาระแก่นสารได้ให้เป็นที่ตายใจได้เลยนยแล้วมันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่จะป้อนสิ่งเหนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆรื้ถักดันสิ่งนี้ให้มาหลอกเจ้าของเรื่อยๆนี่นี่นะท่านบอกว่าพระพัสดุมีดังจิตตังพิโกเอคงนี้เองที่ดูความพิจิตรหลายจิตเดิมแทบห่องใสนแต่อาศัยความคักเข้ า, ขาวคงิเลลแล้วความจรน้ำเย็นจอนมาจากรูปจากเสียงจากผิ่วจากรถ จ, จากเครื่องสัมผัสต่ตางๆ ตอนมาจากรูปจากเวทนาสัญญาสังขารญญาณที่ความสังขารหมายไปคว้านอมานิสอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทําให้จิตมันผอมันเศร้าหมองเศร้าหมองด้วยเองอันนี้เองที่การพิจารณานี้เพื่อจะเบิกสีนวลนี้ออกเปิดเผยตัวเองขึ้นมาด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้วเราจึงจะเห็นได้ชัดว่าในขณะจิตที่ยังไม่ได้ออกใช้งานใช้การอะรเช่นเด็กอ่อนๆนี่ยจิตอนั้นจับ สงองหตัวเหมือนก็เป็นผ่องใสจิตเรียกว่าจิตเดิมเป็นจิตผ่องใสจิตเดิมของวัฏจักรไม่ใช่จิตเดิมของวิวาตจักรผ่องใสทีนี้เวลาเราพิจารณารอบไปโดนดับแล้วมันจะรวมตัวเข้าไปสู่จุดนั้นเป็นความผ่องใสขึ้นมาภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจและความผ่องใสนี่แหละแม้แต่สติปัญญาที่เป็นมหาสติมหาปัญญาก็ยังต้องหลงความผ่องใสเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบ เกิดความแปลกประหลาดเกิดความพิศจ ร, รยิย์ดูเหมือนว่าสง่าผ่าเผย เ, เต็มที่จะไม่สง่าผ่าเผยยังไงก็ราชาแห่งวัตจักรผู้นี้แหละเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตหรือครอบจิตอยู่ในขณะที่จิตไม่มีสติปัญญาจึงบังคับถูถายจิตให้ไปเกิดในที่ต่างๆโดยไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แล้วแต่อำนาจแห่งกรรมที่ตนสร้างไวมากน้อย แล้วก็มีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องหนุนให้ไปเกิดในที่นัน้นๆเมื่อเป็นฉะนั้นจริงต้องพิจารณาให้เห็นชัดความป่องใสให้ฟังว่าความป่องใสกับความสอมองมันเป็นคู่กันเพราะมันเป็นสองมดความป่องใสนี้จะเป็นจุดให้เราทราบได้อย่างชัดเจนเลยว่า น, นี้คือจุดแห่งความป่องใสแล้วเมื่อมีความสมองขึ้นมาตามสภาพของจิตหรือตามขัน้นตามโครงจิตก็จะเพราะ จะเศหมองขึ้นมาในจุดที่ว่าผ่องใสนี่แหละความผ่องสใยกับความเศร้าหมองนี่เป็นคู่เคียงกันคือเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นผู้หลงธรรมชาติที่ผ่องใสนี้จึงต้องมีความภาวะควรระมัดระวังรักษาตลอดเวลากูอะไรจะมากระทบกระเทือนจะทําจิตที่ผ่องใสนี้ให้เศร้าหมองไปแม้จะเป็นความเศร้มองอันล ะ, ละเอียดก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งไม่ควรนอนใจได้ทัางนั้นจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญา เอาเพื่อให้ตัดกังวลลงไปความผ่องใสนี่คืออะไรกําหนดลงไปให้รู้เราไม่ต้องกลัวความป่องใสนี่จะคิดหายมากลวงไปแล้วจะล่มจมคิดหายไปด้วยการพิจารณากาหนดลงไปให้เห็นทัดเจนความมองใสนี่ก็เป็นอันนีจะศ์ลักษณะภูข า, ารลักษณะอนัตตลักษณะเหมือนกันกันกบสภาพธรรมทั้งหลายส่วนที่เราพิจารณามาแล้วไม่มีอะไรกีดกันเลยนอกจากมีความละเอียดต่างกันบ้างเท่านั้นนี่จึงไม่มีไว้อะไรทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสมมติแล้วปัญญาให้ฟาดปันลงไป กำหนดลงไปตัวที่ตัวจิตนั่นแหละมันอยู่ที่ตัวจิตนั่นเองค ว, ความผ่องใสเนี่ยจะเป็นจุดที่เด่นชัดที่สุดในร่างกายเหล่านี้จะไมมีอะไรเด่นยิ่งกว่าความป่องใสนี้จงถึงกับให้เกิดความอัจฉริยะให้เกิดความรักความสงวนอ้อยอิ่งอยู่ภายในนั้นไม่อยากให้อะไรมาแตะต้องครามกษัตริย์คือวิชานี่เลยนี่แหละท่านเรียกว่าวิชาคือตรงนี้ที่เป็นวิชาแท้ไม่ใช่อะไรเป็นวิชาแท้อาวิชาแท้กับ ความคาดหมายเราจะผิดกันมากมายเมื่อเข้ามาถึงอวิชชาแท้แล้วเราไม่ทราบอาวิชชาคืออะไรก็มาติดจงอยู่ที่ตรงนี้ถ้าไม่มีผู้แนะนำสั่สอนไม่มีผู้ให้อุบายจะต้องติดอยู่เป็นเวลานา น, านเหมือนกันแต่ถ้ามีผู้ให้อุบายแล้วเช่นนี้เราก็เข้าใจเพราะเข้าถึงจุดนั้นเราจะไม่ไว้กับธรรมชาตินี้เลยต้องพิจารณาเช่นเดียวสภาวธรรมทั้งหลายเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาอันแหลมคมแล้วสภาพนี้จะสลายตัวลงไปโดยไม่คาดไม่ฝันเลยเมื่อธรรมชาตินี้สลายตัวลงไปแล้ว สิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมชาตินี้ซึ่งอยู่ใต้นั้นถูกอันนี้ปกปิดอามังแล้วจะเปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มตัวทีเดียวนั่นแหละคือเหมือนกับว่าโลกกาะแทวันใหม่อวิชาสลายตัวลงไปนั้นเหมือนกับว่าโลกกาะแทวันใหม่กระเทือนหมดภายในจิตเป็นขนาดจิตที่สําคัญมากที่ขาดจากสมมติระหว่างวิมุตติกับสมมติขาดจากกันเป็นอย่างนั้นนี่ท่านว่าสําเร็จ 阿拉ตะมักเข้าเก้าวเข้าถึงอ阿拉ตะผลก็หมายถึงจุดนี้เองขณะที่อวิชชาดับไปนั่นแหละท่านเรียกว่ามักสมบูรณ์เต็มที่แล้วเก้าเข้าถึงผลพอธรรมาชาติคืออวิชชานี้สลายตัวลงไปโดยหมดปัญหาแล้วก็เป็นผลเต็มที่แล้วก็เป็นนิพพานหนึ่งภายในภายในอนั้ น, น, นขณะที่อวิชชากําลังสลายตัวลงไปนั้นท่านเรียกว่ามักกับผลเก้าเข้าถึงกันซึ่งเป็นธรรมคู่อยู่ถ้าว่าเราเดินทางก็เดินมาขึ้นบันไดก็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 ท่ น, นเพียงว่าท่านเรียกว่านิพพานหนึ่งคำว่าอรหัตผลก็เลยเช่นว่ะท่านสํเาเร็จอรหัตผลคําว่านิาพพานหนึ่งก็พวกก็พูดกันได้แต่เมื่อจะแยกให้เป็นสมมุติตามหลักธรรมชาติให้ถูกต้องเหมาะสมไม่มีใครแทรกแซงแล้วต้องม่านิาพพานหนึ่งจนถึงจะเหมาะสมดีเราพระเจ้าสัา่ามากสี่ผลสีนิพพานนี่การปฏิบัติศา ส, สนาคือปฏิบัติต่อจิตใจเราเอง ใครเป็นผู้รับทุกข์รับยากลําบากเฉยใจทุกวันนี้เป็นผู้จองหาถูกจองจําอยู่ตลอดเวลาใครถ้าไม่ใช่กิตใครเป็นผู้จองจํากิตถ้าไม่ใช่กิเลสกันหาสวา่างแก่ก็ต้องแก้ที่ตัวข้าสึกต่อจิตใจในี้เองด้วยปัญญามีปัญญาอันแหลมคมเท่านั้นที่สามารถแก้กิเลสได้ทุกประเภทจนกระทั่งสลายตัวลไงไปดังที่กล่าวแล้วนี้หมดปัญหาใดๆทั้งสิ้นเรื่องรูปก็แล้วเวทนาก็แล้วทัญญาทั้งขามิารเป็นแต่เพียงอาการอาการเท่านั้น ไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระเทือนต่อจิตใจนี้เลยรูปก็รูปเวทสัญสญาเอารูปเสียงดินรถเครื่องสมบัตก็เช่นเดียวกันต่างอัน ต, าน ต, านตา่างกิ่ง ต, ต่งตงง า, า, ตางอันต่างอยู่ว่ามีก็มีไม่ว่ามีกบนี้ปัญหาอะไรมีเศรษฐกิจไปสาคัญท่านสง่าเมี่ยต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างกิ่งถึงการที่มันจะสลายก็สลายไปเราได้พิจารณาแล้วอนิจจังทุกขังาตามไม่ได้หมายถึงขันที่เรารับผิดชอบนี้จะหมายถึงอะไรอันนี้จางก็คือความแปรสภาพอ ทุกขังอนาตาก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วยังอยู่นี้ก็ไม่ใช่เราตายไปแล้วเราจะประยุทอะไรเมื่อทราบตามความจริงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวท่านพึงทั้งความเป็นยิมแข่งขันทั้งความสลายตาไปแข่งขันเพราะมันเป็นเรื่องของขันล้นล้วนไม่ใช่เรื่องของจิตจิตเป็นแต่เพียงว่าผู้รู้ในความาตามอาการที่มันเคลื่อนไหวไปมาและแตกสลายไปเท่านั้นธรรมชาตินี้ไม่ได้คิดหายไปตามธาตุตามขันจึงไม่มีอะไรที่จะให้กลัวในเรื่องความตาย เรียนให้จบเรื่องความตายถ้าจบเรื่องความตายแล้วก็ไม่กลัวตายยังเป็นอยู่ก็อยู่ไปถึงเวละที่ตายก็ตายไปเพราะในกลางข่ายคือปัญญารอบด้านหมดแล้วแล้วจะไปหวนอะไรต่อวหวนไว้อะไต่อความจริงมันก็หมดสิน้นไม่มีอะไรเหลแล้วเอาละการแสดงธรรมก็ถึมาสมปวร